กิเลสมันลดลงมันลดลงมันลดลงเนี่ยความเบาสบายของจิตใจโยมเนี่ยจะยิ่งมากขึ้นไม่อย่างนั้นนะ่ะคนมาบวชเป็นเป็นสมณะหรือว่ามาเป็นพระเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงอะ่ะของกินของใช้ก็น้อยลงโดนวินัยเนี่ยโอ้โหมงดมาเว้นอะไรหลายหอย่างเคยจะไปทไําไอ้นะู่นทําไอ้นี่อะหลายอย่างเลยวินัยมาห้ามกัน้นทำอะไรต่ออะไรไม่ไม่ได้เลยหลายสิ่งหลายอย่าง ยิ่งเอบาบยามุกยิ่งอะไรเนี่ยโอ้โหไปแตะไปต้องได้ที่ไหนอะ่ะมีกฎมีระเบียบห้ามไว้เยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเนี่ยมากินน้อยมาใช้น้อยลงแล้วนะแล้วท่านไม่มีปิติสุขในใจเนี่ยเกิดขึ้นมาซึ่งต้องสร้างนะไม่ใช่อยู่ดีมันเกิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นคนอดข้าวเนี่ยอดเหมือนกันได้นะคนอดข้าวเนี่ยอดสองคนอะ่ะสมมติสองคนเนี่ยอดข้าว คนนึงอดข้าวแต่ไปไม่รอดอทุกทรมานโทรกรรมมากแต่อีกคนนึงอดข้าวแล้วมีปิติมีสุขอมันจะต่างกันเลยเห็นไมทั้งทั้งที่อดน่ยอดเหมือนกันถ้าเราจะลดกิเลสเราเอา้าเราก็ต้องสู้กิกเลสแน่นอนเราจะต้องล้างกิเลสก็ต้องชนกับกิเลสแน่นอนวันช่วงที่เราสู้กับกิเลสเราชนกับกิเลสนี่เอา้ามันก็ต้องลำบากหน่อยสิเราเคยกินเราเคยติดไอ้นี่ไอ้ไนี่มา โอ้คราวนี้เราพยายามงดพยายามเว้นเราจะเห็นได้เลยว่า ม, มันดิ้นทุรนทุรายดิ้นทุรนทุรายเราก็ต้องหาสิบางคนใช้แบบสมถะนะอย่างที่ท่านจันทร์มาพาฝึกอย่างเงี้ยนะหรือว่าสมณะเราหลายรูปมาพาฝึกให้ในวันธรรมดาก็ตามหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็ตามนะเราใช้แบบสมถะกดคมลงไปเลยนะอันนี้ก็แบบว่าพอเรางดเนะี่ยตั้งตะบะเสร็จเอาสมมุติว่า เรื่องกินนี่แหละยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นนะเราก็เอา้าไม่กินสะกดลงไปเลยแต่สะกดแบบสมถ า, านี่คือสะกดแล้วเราก็ต้องทำจิตให้มันสงบไม่ใช่บางคนนี่สะกดไม่กินไม่กินไม่กินแต่จิตเราจริงๆนี่เราหหยหาอะไรเอาวอนเราคิดถึงความรอร่อยของมันอยู่คิดเสียดายอยู่ในใจนะโอ้โนะบางคนเนี่ยตั้งตาบากไว้เข้ารรษาเนี่ย เอาแล้วมันไปแล้วนี่ยังไม่ออกนะอีกหลายวันกว่าจะออกพรรษานะแต่คิดไปล่วงหน้าแล้วออกพรรษาเมื่อไหร่ละเมื่อนั้นเลยนะอะไรอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อแล้วเดี๋ยวจะเอามาสบฟาร์ลให้เต็มที่เลยไปแล้วจิตมันไปก่อนแล้วซึ่งอะไรล่ะที่เราไปทําอันนี้ไว้ถ้าทําอันนี้ไว้เนี่ยเสร็จแล้วจิตมันมันเริ่มกดดันแล้วมันเริ่มอยากแล้วมันนับวันเลยนะ น้าสงสารนะคนที่คอยนับวันเมื่อไรจะออกพรรษาเมื่อไรจะออกพรรษาวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองแล้วต้องคอยนับวันเนี่ยมันทรมานมากมันทรมานจิตคนนั้นซึ่งเนี่ยไม่ฉลาดเลยและแสดงว่าปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้เรื่องในการปฏิบัติธรรมด้วยมันอย่าง น, น้อยๆเนี่ยพอเราใช้สมถะข่มลงไปก็ต้องสงบระงับเอาลงลงไปไม่ไปคิดถึงเลยความอยากกินความโหยหานี่ก็ไม่คิดถึงตัดพอมันจะเข้ามาก็ตัดไม่คิดถึง ไม่ต้องคิดถึงวิธีสมถานี่คือตัดลูกเดียวไม่คิดถึงทําจิตให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันสบายอยู่อย่างนี้พอไม่ต้องไปคิดวิตกวิจารณ์อะไรมากนะเดี๋ยวจะป่วยเดี๋ยวจะเจ็บเดี๋ยวจะเป็นไข้นะเดี๋ยวจะปวดหัวตัวร้อนไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปคิดถึงใดๆทั้งสิน้นนะก็บอกนี่ตาบะเราเราตั้งขึ้นมาหรือนี่ศีลของเราเราทําได้แล้วเป็นบุญกุศลของเราเองจบแค่นี้ไม่ต้องคิดมากเนี่ยเราก็ใช้สมถานี้ข่มลงไป แต่สมถานนี่มันได้แค่กดข่มระยะหนึ่งเท่านั้นเองคุณหมดความสามารถในการกดข่มได้นะไอ้กิเลสที่คุณยังฝังไว้อยู่มันก็ขึ้นมาทํางานต่อแล้วเมื่อนั้นคุณก็ต้องกลับไปเสพกลับไปติดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวิธีการสมรถานี้มันจะใช้ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่วิธีที่ถาวรแล้วจะทําให้คุณสามารถเพิ่มศีลเพิ่มตะ巴ของคุณได้เนี่ยต้องใช้วิปัสสนาด้วย แล้วปิพิปัสสนานี่แหละเป็นตัวหลักเลยเพราะจะใช้ปัญญาพิจารณาในการที่จะล้างกิเลสเพราะกิเลสมันอยู่ที่จิตของคุณโดยเฉพาะไอ้ความนึกคิดของเรานี่แหละซึ่งเป็นตัวหลักเป็นตัวใหญ่เลยนะมันจะพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยที่เราติดแล้วดูซิมันทุกทรมานยังไงอยู่โอ้โหมันลงแดงไม่แพ้พวกที่เขาติดยาเสพติดเลยนะโอ้บางคนเนี่ยแค่เรื่องข้าต้มมัดมัดเดียวเนี่ย แต่ทำไมมันทรมานทรมกรรมอย่างนี้จริงจริงนะบางคนถึงขั้นโมโหโมโหโมโหพานเพื่อนฝูงนะหิวโมโหหิวนะเาเรียกโมโหหิวโอ้โหด่าว่าคนอื่นได้เลยก็เพราะไอเขาต้มมัดเดียวเนี่ยแหละเป็นไปได้เพราะถ้าเรารู้เราเข้าใจประเด็นนี้เราใช้วิปัสนาล่างกิว่าดูซิเนี่ยโอ้มนเป็นโทษมันเป็นภัยมา เ, เป็นทุกข์ยังไงที่ทำให้เรานี่ต้อง เจ็บปวดต้องทรมานแล้วต้องเสพติดมันยังไงนะพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเออถ้าเราเราเลิกมันได้ดูซิวันนี้เราหัดงดมาเราหัดเว้นมาเออมันก็เว้นได้มันก็เลิกมาได้เราไม่ต้องไปติดไอ้สิ่งนั้นนี่เออมันเบาขึ้นอย่างนี้นี่มันสบายขึ้นอย่างนี้นี่คนนี้เห็นอาการจิตของตัวเองจริงๆแล้วพอเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยสัมผัสได้ถึงความเบาสบายซึ่งอันนี้แหละเขาเรียกว่าอารมณ์ที่เริ่มเข้าใกล้นิพพานขึ้นมา หลายคนที่กลัวอารมณ์นิพพาน <laughs> คืออารมณ์ที่มันไม่มีกิเลส <laughs> หลายคนกลัวกลัวว่าเดี๋ยวมันจะจืดสนิท่ะ <laughs> กลัวว่าเดี๋ยวกินอะไรนี่ลิ้นแบบจระเข้คือจระเค้เคมีลิ้นหรือป่ <laughs> จาจะเข่ไม่มีลิน้นใช่ไหมเออกลัวัวจะลิ้นด้านกลัวเดี๋ยวจะไม่มีลิ้นแบบจระเข้มื่กินอะไรแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรอริดอร่อยคุณไม่ต้องห่วงหรอกถ้าลิ้นคุณไม่ด้านนี่นะคุณกินอะไรมันก็เปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดคุณรู้อยู่เหมือนเดิม เพียงแต่พอมันไม่มีกินเลตเนี่ยนะคุณกินแล้วคุณสัมผัสรถแล้วแต่คุณไม่ติดคุณไม่ห้อยหาอะไรเอาวรคุณไม่จะไปทุกข์เพราะสิ่งนั้นอีกจิตมันจะมีอาการที่มันเบามันสบายขึ้นหลายคนลองพิจารณาตอนนี้ก็ได้จากที่อะไรที่คุณเคยติดมาอย่างบางคนนี่อาจจะติดเนื้อสัตว์มาใช่ไมอ่าเอาเขานี่หน้าเจนี่วันนี้วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมอ่า สมมว่าช่วงนี้เอากินเจอโอโหสิบวันนี่บางคนกินด้วยความทุกข์ทรมานสิบวันนี่นะกินเจด้วยความทุกข์ทรมานแต่อย่างว่าเขากินอยู่ทั้งบ้านเราก็เลยต้องผสมลงไปด้วยแต่จํายอมกินแบบจําทนนะอันนี้ไม่เข้าถึงธรรมถ้ากินแบบนี้ไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงท้องเฉยเข้าถึงปากเข้าถึงกระเพาะแต่ไม่เข้าถึงธรรมถ้าจะเข้าถึงธรรมเนี่ยพอเรากินไปแล้วเราสัมผัสได้เลยเรารู้เลยเห็นเลยว่าโอโห นะัคนที่เขามีปิติเขามีสุขเขากินแล้วได้ได้อะไรอ่ะได้เห็นเลยว่ามีทั้งความเมตตามีทั้งความยินดีมีทั้งความพอใจมีทั้งการวิปั ส, สนาหเห็นเลยว่าเออเราทําให้ชีวิตสัตว์อื่นไม่ต้องตายเพราะเรานะเราสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะสัตว์อื่นๆแล้วก็ทําให้สร้างเป็นตัวอย่างให้มีหมู่มคนหรือว่ากลุ่มสังคมนะที่ไม่ต้องกินสัตว์อื่นก็ได้ แล้วเราพิจารณาดูเนี่ยเออเนี่ยพอเราเลิกมาได้เราเว้นเนื้อสัตว์มาได้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ไปติดเราไม่ได้ไปโหยหาอะไรอวรอีกแม้บางทีเดินผ่านผ่านอัตมาชอบพูดนะอันนี้เพราะว่าผ่านหน้าร้านที่เขาขายพวกเนี้ยพวกเป็ดย่างไก่ ย, ย่างพวกอะไรอะก๋วยเตีดเด๋ยวราดหน้าอะไรเขาชอบเอาพระลมเป่าออกมาอัตมาก็ชอบพูดเนี่ยว่เาเวลาเดินผ่านนีม่มันลอยมาเข้าจมูกเขาก็เจตนาให้ ให้คนผ่านเนี่แหละได้ดมเพราะเขาขายแม่กลิ่นเพราขายกลิ่นด้วยเพราะกลิ่นเนี่ยมันจะไปยั่วโยมให้ให้เดี๋ยวพอใจมันเกิดมันก็ต้องมาซื้อนั่นแหละวันแม้เนี่ยเราเดินผ่านสถานที่แบบนี้แล้วเราได้ดมกลิ่นอย่างนี้แต่เราเห็นเลยว่าโอ้ถ้าเป็นแต่ก่อนนี่นะโอ้โห อ, อยากไปกินเลยมันรู้สึกน้ําลายไหลยอยู่ในใจสามหยดนะปุ้มปุ้ยนะน้ําลายไหลาสามหยดอยู่ในใจเลย แต่บรากฏว่าคราวนี้เออเราอดมาแล้วเราเว้นมาแล้วเอจริงในใจลึกๆเราอาจจะจําได้นะว่าเราเคยอร่อยอยังไงถูกใจเรายัางไงเราจําได้อยู่แต่เอไม่ไม่ต้องไปกินก็ได้ละเรารู้สึกว่าเราเราเริ่มตัดใจเรามาได้แล้วก็ไม่ไปทุกร้อนมากด้วยแม้ว่าลึกๆเรารู้อยู่ว่าเออมันเคยอร่อยอยังไงแต่ไม่กินก็ไม่เห็นจะเดือดเนื้อร้อนใจอะไรนี่ เพราะคนนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าเออไออาการจิต ท, ที่มันเบาขึ้นมันสบายขึ้นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะคุณเนี่ยเราลองลองเออลองย้อนนึกดูตัวเองให้ดีแล้วคุณพยายามสัมผัสอารมณ์นี้ได้ดั่นแหละคนนั้นอาจจะเริ่มถือศีลจะเริ่มปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงจิตนะหรือว่าเริ่มที่จะเข้าถึงนิพพานได้ถ้าใครปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ไม่เข้าถึง เพราะหลักการของศาสนาพุทธนี่นะไม่ใช่แค่มามีอะไรอ่ะตัวกฎตัวระเบียบหรือว่าตัวศีลพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะใช้คําว่าต้องถึงศีล น, นะต้องถึงพร้อมด้วยศีลหมายถึงว่ามันต้องถึงกายถึงวาจาถึงจิต ด, ด้วยนะหรือถึงใจเราเนี่ยต้องด้วยเลยไม่ใช่แค่แค่ปึกเปลือกไม่ใช่แค่ภายนอกเพราะหลายคนที่ยังทีเนี่ยเรามาถือศีลเรามาปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ เรามากินมังสวิรัตก็ตามนะยังไม่ได้ถึงจิตยังไม่ได้ถึงใจของเราเพราะั้นลองไปทบทวนดูลองไปพยายามตรวจตรวจสอบตัวเองนะพิจารณาจิตของตัวเองดูซิว่าทุกวันนี้เราปฏิบัติธรรมไปนี่เราปฏิบัติจนกระทั่งภายในจิตของเรานี่มันลดลงไปได้หรือยังไอ้สิ่งที่มันเป็นกิเลสสิ่งที่มันเป็นความติดความผูกพันความหวงหาความอะไริาวจ์ต่างๆ นะอา้าวเนี่ยถ้าไปพิจารณาดูดีๆแล้วเราจะเห็น<ม>เห็นตัวของเราเองไม่มีใครเห็นแทนเราได้เพราะจิตมันเป็นของเราเองนะคนอื่นจะมาเห็นเราไม่ได้เร้วแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเราได้ด้วยตัวเราเองต้องเห็นเองต้องร้างจิตตัวเองให้สะอาดนะแล้วจิตของคนนั้นถึงจะสะอาดได้เองจริงๆไม่ใช่แค่มาฟังธรรมแล้วจิตเราสะอาดไม่ใช่อันนี้เราแค่ได้ได้ภาษาได้ ทำชี้แน่เท่านั้นเองแต่มันยังไม่ได้เป็นมรรคผลอะไรสำหรับเรามันมรรคผลจะเกิดได้จากการที่เราเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติจนกระทั่งเกิดกับตัวเราจริงๆซึ่งถ้าเราเองเนี่ยเราเข้าใจประเด็นนี้ได้คนนั้นนี่จะไม่ห่างจากศีลจะไม่ห่างจากตบะจะไม่ห่างจากการประพฤติปฏิบัติเพราะอะไรเพราะรู้เลยว่าถ้าเมื่ อ, อไหร่เนี่ยที่ห่างออกไปว่างเว้นออกไปทันทีเลยเมื่อนั้น นะักิเลสเริ่มครอบงำเริ่มเข้ามาอีกแล้วเพราะความเป็นจริงของคนเราเนี่ยเรามีกิเลสมากกว่าที่ไม่มีกิเลสกิเลสล้วเนี่ยมากเพราะฉั้นถ้าเราเองเนี่ยเราเริ่มห่างเริ่มวางเว้นนี่ทันทีเลยกิเลสมันเริ่มก่อเกิดเริ่มพอกพูนขึ้นมาอีกทันทีแล้วจะไปลงที่ไหนจะไปลงที่ความเคยชินเก่าๆใครเคยแก้ปัญหาตัวเองใคใายเครียดตัวเองยังไงไปลงที่อย่างนั้น บางคนคลายเครียดคิดว่าต้องเรื่องกามเอาไปลงเรื่องกามคลายเครียดเพราะคิดว่าเอาไปลงเรื่องกามแล้วเออทําให้เรารู้สึกเป็นสุขขึ้นมาเอาพวกนี้ก็ต้องหนะไปเที่ยวสถานเลินลมนะไปอะไรอะสแสวงหาคู่ครองไปอะไรต่ออะไรเพื่อทีคอนนะค่คิดว่าอย่างนั้น่ะถึงจะมีความสุขก็คิดว่าอย่างง่ายเป็นการที่ผ่อนคลายตัวเองเพราะพวกนั้นก็ไปลงที่กาม อ้าส่วนพวกไหนเคยชินนะว่าถ้ารู้สึกมันหนักรู้สึกมันเหนื่อยเอา้าต้องไปเนี่ยดูหนังฟังเพลงพวกนี้ก็ไปทำนี้ตามที่เคยชินเอาพวกไหนต้องไปตามป่าเขาถ้าว่าพูดทั้นต้องไปตามป่าเขาถ้านะพวกที่ไปเที่ยวตามป่าเขาถ้านี่บางทีดูแล้วก็เบาลงมาแล้วนะแต่ยังไม่เข้าสู่อริยชนเพราะว่าลักษณะแบบนี้นี่มันยังเป็นแบบรูสีอยู่เลยมันไม่ได้แก้ที่ที่จิตไม่ได้แก้ที่ ที่ใจของตัวเองจริงๆมันยังเปนการที่เรียกว่าอาศัยสิ่งอื่นอาศัยภายนอกนี่มาช่วยแก้จิตตัวเองนะยังไม่ใช่มันยังยังไม่เข้าสู่อริยะชนไม่อย่างนั้นแล้วพวกฤาษีขีภัยนี่ป่านี้บรรลุธรรมไปหมดแล้วแต่แม้แต่อย่างนี้เห็นไหมพวกฤาษีขีภย้ยผ่เขาไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้าเขาบําเพ็ญด้วยนะแต่ไม่เข้าสู่กระแสอริยชน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกเราเข้าใจอันนี้ได้เนี่ยเราจะแก้ความเคยชินเพราะบางทีพอเราทุกข์เราเครียดขึ้นมาเนี่ยนะอย่าเอาแต่ความเคยชินยิ่งเป็นความเคยชินที่ไม่ดีเรารู้อยู่แล้วว่าไม่อย่างนี้ไม่ดีนะเวลาไม่พอใจเจ็บใจใครมาม า, มาลงที่สาลเปลาปลาทงโกมาลงที่อะไรอนะน่ยอาหารที่เราชอบเนี่ยโอ้ฟาดเรียบเลยนะ นะอย่าอย่าให้มันไปเคยชินอย่างนี้ต้องปรับต้องแก้นิสัยอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเรื่องกินส่วนบางคนอย่างที่บอกนะอา้าวอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องนอนอย่างที่บอกบางคนทุกนะเอาแล้วไม่พูดกับใครทั้งนั้นอ่นะพูดแล้วปวดหัวยิ่งพูดยิ่งปวดหัวยิ่งคุยรู้สึกว่าเดี๋ยวยิ่งทะเลาะกันนะหรือไปที่อื่นก็เหนื่อยเมื่อยขี้เกียจไปแล้ว มันพวกนี้จะตกแบบฐานขี้เกียจนะ่าจะตกแก้ปัญหาด้วยกันนอนนอนประเสริฐสุด <c oughs> นอนนี่ดีที่สุดแก้ปัญหาอืมแต่มันก็ไม่จริงการนอนไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาจริงๆแต่ใช่มันก็เป็นการที่เราหลบเราเลี่ยงหรือว่าเราหนีมาซะนะ่ะมันก็ทําให้เราได้ไม่เจอเจอปัญหานั่นเองเราก็แต่ปัญหามันยังดําเนินของมันอยู่ใช่ไหย ม, มันไม่ได้หยุดอย่างเช่นถ้าเราไปเป็นหนี้อยู่อย่างเงี้ย แลเราก็บอกว่าโอ๊ยไม่คิดแล้วปวดหัวนอนดีกว่าตอนผู้หญิคุณนอนเนี่ยเอาเราคุณหลับไปคุณไม่คิดถึงอะไรก็ต่อให้บางคนนอนไม่หลับเนี่ยใช้ยานอนหลับเลยกินเข้าไปแล้วให้มันหลับแต่ตอนที่คุณหลับอยู่เนี่ยนี่คุณศูนย์หรือเปล่านี่คุณมันไม่หลับไปด้วยนะนี่คุณมันตื่นอยู่นะนี่คุณมันก็มีดอกเบีย้ยด้วยนะอา้าววันคุณตื่นมาอีกทีนึงไปไงหนักกว่าเดิมเพราะนี่เพิ่มขึ้นหนักกว่าเดิม มันไม่ได้แก้ปัญหาจริงนี่อัจมายกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นจริงมันมันทำให้เราเนี่ยเหมือนกับลืมๆบางคนเนี่ยใช้วิธีนี้แก้มันชั่วคลาวได้แต่มันบอกแล้วว่าไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆเพราะบางคนเนี่ยใช้วิธีแบบลืมๆไม่คิดถึงไม่ต้องมีนึกถึงเรื่องนี้เลยช่างหัวมันใครจะเป็นจะตายยังไงช่างหัวมันเราจะไม่คิดถึงเรื่องนี้เราจะไม่นึกถึงเรื่องนี้มันเข้ามานี่สลัดทิ้งลูกเดียวไม่นึกไม่คิด อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้แก้ความทุกข์ต่างเพราะันบางคนนี่ที่เขาไปกินเหล้านะไปติดยาเนี่ยก็คล้ายกันนั่นแหละเพียงแต่อันนั้นมันใช้สารเสพติดเข้ามาแต่อันนี้มันใช้วิธีคิดที่จะปรับจะแก้จิตก็ดีกว่าวิธีปรับแก้จิตนี่ดีกว่านะแต่ถ้าคุณปรับไม่ไหวเข้าเอาละอ่ะคราวนี้เพราะคุณใช้วิธีนี้อยู่เรื่อยเนี่ยคุณใช้วิธีหนีโดยการที่ไม่นึกไม่คิดไม่เจอะเจอนะ มันบางคนเนี่ยใช้พิธีนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็ติดอย่างที่อัตมาบอกถ้าวันไหนคุณเริ่มปรับความคิดคุณไม่ได้คุณไม่มีความสามารถปรับความคิดคุณจะเริ่มลงที่วัตถุละเอาวัตถุเนี่ยมาเปลี่ยนความคิดคุณจนถึงที่สุดนู่นไปติดยาไปกินเหล้าให้มันเมาเขาบอกว่าอะไรคนเราอยู่ดีดมันลืมทุกข์ไม่ได้มันก็ต้องอาศัยเหล้าดับทุกข์มันดับทุกข์ที่ไหนมันไม่ได้ดับทุกข์แต่มันทําให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวแล้วก็ใช่ แต่มันไม่ได้ดับทุกเล่าไม่ได้ดับจริงๆแล้วเล่านี่มันทำให้เราลืมทุกแต่มันเพิ่มดอกเบี้ยทุกให้กเรายิ่งขึ้นไปอีกเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจอันนี้ได้เราเริ่มรูละว่าโอถ้าเราเองเนี่ยมาใช้วิธีการหนีวิธีการหลบวิธีการเลี่ยงวิธีการต่างต่างเหล่านี้นี่มันแก้ปัญหาได้แค่ให้เราผ่อนได้นิดหน่อยผ่อนคลายได้นิดหน่อยเท่านั้นเอง แต่ปัญหานั้นอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้เพราะอะไรเพราะบอกแล้วว่ามันยังดําเนินตัวของมันอยู่ไอ้ปัญหานั้นเพราะในที่สุดคนนี้เนี่ยก็จะต้องมาแก้ปัญหาให้ตรงจุดเขามาแก้ปัญหาให้ตรงจุดนี่คือมาแก้ที่จิตตัวเองให้ได้คราวนีนะ้แทนที่เราเนี่ยพอรู้สึกว่าโอ้ อ, อจขาดเครื่องเจอผัสสนะเจอการกระทบกระทั่ง นะเขามาด่าเราเขามาว่าเราหรือเขามาแกล้งเรามาใส่ร้ายเรานะหรือว่านุ่นถ้าใครยังมีครอบครัวอยู่อาจจะนั่นนะหัวไปมีเมียน้อยหรือว่าเมียไปมีชู้อะไรก็แล้วแต่นะพอเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหคิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วครับมันตึงเครียดจริงๆน้ำนะมันรู้สึกทุกข์มากๆนะแต่ว่าไม่ต้องไปนอนนะหรือว่าไม่ต้องไปบอกแล้วไม่ต้องไปใช้วิธี กินยิ่งกินยิ่งอ้วนเนี่ยแฟนเขายิ่งไม่รักใหญ่เนยิ่งเขาบอกก็ยิ่งเป็นยายหมูตอนเขายิ่งไม่ไม่อยากที่จะมารักมาเสน่หาด้วยซ้ําไปมันไม่ได้แก้ปัญหาคราวนี้เนี่ยให้เราฉลาดยิ่งบางทีเนี่ยนะเราไปแก้เขาเนี่ยเราแก้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาไม่ยอมให้เราแกู่้้ง่ายเขาก็ยังอยากจะทําอย่างที่เขาอยากจะทําอีกเหมือนกันอ้าวในเมื่อคุณแก้คนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้น หลายคนที่ชอบคิดว่าเราจะแก้ทุกนี้ได้คือเขาต้องแก้ถ้าเขาไม่แก้เรายัางทุกอยู่งนี้แสดงว่าความสุขของคุณนี่นะหรือความพ้นทุกข์ของคุณอยู่ที่คนอื่นอันนี้ไม่ใช่สัจจ์และอันนี้ไม่ใช่การพ้นทุกข์อย่างถูกต้องและอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะให้คนอื่น <c oughs> เขาแก้เพราะอะไรเพราะใจของเขาจิตก็ของเขากิเลส ก, ก็ของเขา เขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำตามอำนาจใจของเขาคุณจะไปบังคับยังไงบังคับกายอาจจะพอบังคับกันได้แต่คุณบังคับใจคนไม่ได้หรอกเพราะบางคนนี่บังคับกายให้อยู่ด้วยกันได้แต่ใจเขาไม่ยอมอยู่ด้วยนี่โทษบางคนก็บอกอยู่กับผีตายซากยังไงบางคนก็ใช้สำนวนนี้อยู่กับผีตายซากเหมือนผีดิบเดินได้เพราะใจมันไม่อยู่กับเราก็ อ, อย่างนี้แหละ เพราะนั้นอาจาถึงบอกว่ามันไม่ใช่ที่ถูกแล้วเนี่ยเราต้องดูเลยว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสไว้ว่าจิตนี่เป็นประธานจิตนี่เป็นใหญ่เพราะนั้นที่มันทุกเนี่ยมันทุกเพราะจิตของเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถ้าคนนั้นคิดเป็นคนนั้นรู้จักคิดน่ารู้จักปรับจิตปรับใจขึ้นมาคนนั้นก็จะทุกน้อยลงยิ่งฉลาดในการรู้จักผ่อนคลายอย่างถูกทาง ยังถูกต้องอยังถูกวิธีแล้วคนนั้นก็อยากยิ่งแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองได้อย่างดีขึ้นเรื่อยๆได้อย่างดีขึ้นเรื่อยๆนะเราจะเห็นผลจริงๆอาตอมาเคยให้ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยให้เขาไปลองใช้ธรรมะเนี่แหละนะใช้วิธีการถือศีลใช้วิธีการตวรวจศีลแล้วตรวจตัวเองเท่านั้นไม่ต้องเที่ยวไปตรวจคนอื่นนะเพราะถ้าเที่ยวไปตรวจคนอื่นแล้ว ไม่ไม่ไ ม, ไม่อะไรไม่ลดปัญหามันจะเพิ่มปัญหาเพราะเวลาพอบอกว่าให้เอาไปถือศีลนะแล้วก็ไปพยายามตรวจดูตัวเองนะกิเลสของเราเนี่ยมันชอบเผลออยู่เรื่อยมันชอบตรวจคนอื่นไปตรวจศีลคนอื่นเขานนี่ผิดนะอ่าทําอย่างนี้ได้ไงนะแล้วก็ต้องทําอย่างงงสิต้องทําอย่างนี้สิโอ้โหก็เขายังไม่พร้อมแล้วเขาก็ยังไม่อยากถือศีลน ะ, ะเพราะฉะนั้นทะเลาะกอันตายเลย เผลอๆหนักข้อนะนั่นแหละไม่แค่ทะเลาะจะทําร้ายร่างกายจะอะไรกันขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วเราเริ่มไปตรวจจิตตัวเราเองแล้วดูที่ตัวเราเองความทุกข์ไม่ใช่เกิดจากภายนอกตัวความทุกข์จริงๆเกิดจากภายในใจของเราเพราะนั้นคนที่ฉลาดคิดคนที่เริ่มคิดเป็นขึ้นมานะ้แล้วลดอะไรตัวที่ทาให้เราทุกข์ที่สุดคือตัวความ ยึดครองความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอันนี้แหละเป็นตัวแสบเขาเรียกว่าไอแสบเป็นตัวแสบที่สุดที่ทําให้คนเราเนี่ยมันเลยแบบแหมอยากให้อันนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้อีนนท์เป็นอย่างนั้นมันเป็นความยึดครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมานะไล่ไปตั้งแต่บ้านนะเครื่องเรือนข้าวของเครื่องใช้จนกระทั่งมาถึงตัวบุคคลเราจะไปพยายามเป็นเจ้าของทุกสิ่ง นะจนกระทั่งไล่มาใกล้ตัวเราจนกระทั่งอะไรของของเราเนี่ยแหละเราบอกว่าของของเราจะแว่นตาจะปากกาจะเสื้อผ้านะเราพยายามเป็นเจ้าของทุกอย่างอันนี้แหละที่ทําให้ของเราทุกข์มากๆเพราะอะไรเพราะพอเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของของนี้ต้องเป็นของเราเพราะฉะนั้นของต่างๆที่เราว่าเป็นเจ้าของนั้นต้องเป็นไปดั่งใจเราเพราะมันกลับคืนมาสู่ตัวสําคัญคือตัวว่า ต้องเป็นไปดังใจเราหรือต้องสมใจเรามันกิเลตตัวนี้แหละตัวร้ายเป็นตัวที่ต้องสมใจเรานะต้องถูกใจเราต้องเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาหรือว่าเราต้องการแต่ความจริงในโลกนี้ไม่มีเลยอะไรที่จะเป็นไปตามที่คุณปรารถนาตามที่คุณต้องการไม่มีพรุทธเจ้าท่านถึงยิ่ใช้คำว่าทุกอย่างนี่มันเป็นอนัตตา แม้แต่ตัวเราเองอะ่ะบางทีนะตื่นมาแต่เช้าโอ้วันนี้วัอาทิตย์โอ้วันนี้วันพระด้วยเออน่าจะไปวัดอน่าจะมาฟังธรรมบางทีนะตื่นเช้ า, ชามาจิตดีนะตอนแรกๆตั้งไว้ดีเสร็จอ้าวเดี๋ยวเกิดเจอเพื่อนมาหาเพื่อนมาชวนโอ้ไปซื้อของก็ดีกว่าหน้าไปอะไรหนะ่ะบางทีเอาแล้วเปลี่ยนแล้ว <c oughs> ขนาดตัวเราเองใจเราเองบางทียังเปลี่ยนแปลงง่ายเหลือเกิน ขนาดตั้งจิตไว้ดีบางทีมันยังจะล้มตั้งตาบะไว้ดียังจะล้มพยายามถือสีอย่างดีมันยังจะขาดได้เลยนี่ขนาดตัวเราเองเห็นไหมย้อนยิ่งคนอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเราไม่เป็นไม่สามารถไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคนอื่นได้เลยอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่สิ่งของก็ตามนาจะเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ของเราเนี่ยแหละภาษาเนี่ยเรียกว่าของเรา แต่ความจริงแล้วผู้เจ้าทั้งกระตัดว่าไม่ใช่ของเราหรอกมันเป็นของมันเองแต่ว่าเราเอาอาจจะเอาเ น, นี่ยมาใช้อาจจะเอานี่มาใช้ใช่แต่ไม่ใช่ mm. ของเราถ้าเป็นของเราได้เราต้องบังคับได้ทุกอย่าง from, ต้องให้สมใจเราได้ทุกอย่างเอาแว่นตาอันนี้นะอย่าให้มันเก่าอย่าให้มันพังอย่าให้มันเสียเราจะต้องบังคับได้ทุกอย่างแต่มันไม่ใช่ของเรามันก็เสื่อมไปมันก็เสียไป หรือบางอาจจะหายไปตามสภาพของมันเราไม่สามารถเป็นเจ้าของได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้อาตมาจะฝากแง่คิดไว้นะในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะผ่อนคลายอะไรนะตัวที่ทำให้เราตึงเครียดที่สุดคือความต้องถูกใจต้องสมใจเราเพราะฉะนั้นใครหัดแก้ด้วยการที่ไม่ต้องถูกใจเราก็ได้ไม่ต้องสมใจเราก็ได้ใครฝึกตัวนี้มากขึ้นคนนั้นจะไม่ตึงเครียด ไปทำงานกับใครไปทำงานที่ไหนจะผ่อนคลายตัวเองได้เป็นเพราะอะไรเพราะไม่ต้องสมใจเราก็ได้วิธีง่ายๆที่ถ้ามาที่นี่เราแล้วมาที่สันติอโศกเราหรือว่ามาปฏิบัติธรรมในหมู่ชาวอโศกเราเรามีวิธีหนึ่งนะที่ให้พวกเราฝึกก็คือเอาละไม่ไม่พูดเรื่องอื่นพูดแค่เรื่องอาหารการกินวิธีหนึ่งที่จะฝึกแก้จิตตัวนี้นะที่ว่าไม่ต้องสมใจเราก็ได้ อย่างเช่นเราอาจจะแนะนำว่าเอาอาหารที่ไม่อร่อยบางทีเราก็หัดกินบ้างอา่านะาที่มันไม่อร่อยดี่แหละมันไม่ค่อยถูกใจเราแต่มันก็ดีมีคุณค่ามีประโยชน์เอาหัดกินซะบ้างอา่าบางคนไม่กินข้าวกล้องไม่กินถัว่วไม่กินงาอะไรพวกเนี้นะเอา้าหัดกินซะบ้างเนี่ยเป็นการฝึกไม่สมใจเราแต่มันดีใช่มมันมีคุณค่าใช่ไหมลองค่อย่อยหัดกินแล้วก็ปรับใจเรา ของไหนที่อร่อยคราวนี้ของไหนที่เราชอบนะแหมต้องกินเยอะๆต้องกินมากๆเอาลองหัดสิหัดงดบ้างสิหัดลดจํานวนลงไปหรือหัดเว้นไปบ้างเลยไม่ต้องกินบ้างเลยแล้วลองหัดทําใจเราดูไม่ต้องสงใจเราเนี่ยนะแล้วหัดปรับใจเราคุณหัดอย่างนี้แหละคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเครียดน้อยลงเรื่อยน้อยลงเรื่อยน้อยลงเรื่อยเพราะอะไรเพราะเริ่มฉลาดที่จะปรับจิตตัวเองได้ที่จะไม่ให้ ตัวเองที่ต้องสมใจก็ได้เราอยู่ตามความเป็นจริงแล้วเราก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดตามความเป็นจริงอย่างดีที่สุดด้วยโดยที่ไม่เห็นจำเป็นต้องมาสมใจเลยแล้วตรงข้ามใครยิ่งอะไรอะไรต้องสมใจอะไรอะไรต้องถูกใจคนนั้นน่จะบ้าอย่างรวดเร็วเพราะมันจะเครียดหนักเพราะไปทาอะไรกับใครเนี่ยก็คนอื่นเขาก็ต้องการสมใจใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเพราะเราจะต้องชนกับคนอื่นเขาเราต้องไปขัดแย้งกับคนอื่นเขา มากมายกายกองเลยเพราะฉะนั้นคนนั้นเนี่ยจะตึงเครียดมากเลยบางทีเนี่ยไปพบไปเห็นไปเจออะไรเข้าไม่ถูกใจไม่พอใจเอาแล้วเกิดอีกแล้วตึงเครียดอีกแล้วก็เพราะไม่ได้ฝึกจิตมาเลยในการที่จะหัดปรับจิตปรับใจตัวเองบ้างเพราะอะไรอะ่ะเพราะในชีวิตประจำวันไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำจิตเอาไว้เพราะฉะนั้นคนนั้นนี่จะไม่สามารถเลยมันพอเวลาเจออะไรไม่สมใจปับ๊บทันที ตึงเครียดตึงเครียดหังๆเข้าโกรธโมโหด่าว่านักวันนี้อีกก็ทําร้ายเพื่อที่จะให้เป็นไปอย่างใจตัวเองให้ได้นะอ่ะวันนี้อาตมาก็ฝากนะเรื่องของวิธีการผ่อนคลายแล้วก็เรื่องของวิธีการที่เราจะฝึกแก้จิตของเราซึ่งคิดว่าถ้าพวกเราเองนําไปฝึกนาไปปฏิบัติให้ดีคนนั้นนะ่าจะได้อารมณ์ที่เบาที่สบาย ที่ไม่ต้องเป็นคนตึงเครียดนะเพราะท่านบอกว่าท่านเองไม่เห็นจะต้องไปเครียดอะไรเลยจะทำงานทำการเจอผัสสะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เพราะท่านบอกไม่เคยเห็นต้องเครียดอะไรเลยเพราะท่านมีจิตที่ผ่อนคลายตัวเองได้แล้วนะท่านไม่ต้องไปมีความสมหวังหรือว่าความผิดหวังอะไรคนเราเมื่อไม่ต้องการความสมหวังอะไรแล้วคนนั้นจะไม่มีวันผิดหวังอะไรเลย อ่ะก็ขอฝากไว้เท่านี้